เห็นไะหเวลาขยะอยู่ในมือเราเนี่ยเราทิ้งง่ายเหลือเกินนะแล้วก็อยากจะทิ้งทันทีเลยแต่ว่าขยะในใจนี่เรากลับหวงแหนแล้วก็ไม่อยากทิ้งนะขยะในมือเนี่ยเดิมทีมันก็ไม่ได้เป็นขยะนะตอนที่มันยังอยู่ในมือเราใหม่ๆเนี่ยมันเป็นเป็นของที่มีประโยชน์ เฉ็นกระป๋องน้ำอัดลมขวดพลาสติกกล่องนมหรือว่ากล่องน้ำผลไม้หรือว่าห่อขนมเนี่ยตอนที่มันยังอยู่ในมือเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นขยะนะใหม่ๆนะแต่พอเราดูดน้ำอัดลมหมดหรือว่ากินน้ำในขวดหมดหรือว่ากินน้ำผลไม้ในกล่องหมด มันจึงกลายเป็นขยะและพอกลายเป็นขยะนี่เราก็อยากจะทิ้งทันทีและหลายคนก็ทิ้งทันทีนะไม่ยอมเก็บไว้จนกว่าจะเห็นทั้งขยะแล้วค่อยหย่อนลงไปนีนคือเหตุผลมาทำไมตามท้องถนนเนี่ย แล้วก็างทางเข้าวัดเนี่ยนะมันจะมีขยะอยู่ค่อนข้างเยอะเนะเพราะว่าคนนี่สันทีที่ขยะอยู่ในมือเท่าไหร่มันทิ้งกันทีเลยเดี๋ยวว่าแต่ตามท้องถนนเลยนะในวัดในโรงเรียนน้อยเช่นไร กระทงในสารที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนก็ทิ้งกันนะไม่เหลือที่เลยจนต้องมีการรณรงคนะ์ให้ทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางทิ้งขยะในทังขยะแต่หลายคนก็ยังไม่ยอมทำนะเพราะว่า อยากจะทิ้งทันทีเลยไม่อยากจะเก็บหรือถือเอาไว้ น, น, นานๆเาตรงข้ามกับขยะในใจนะอย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยมักจะหวงแหนมันเหลือเกินขยะในใจเนี่ยนะก็ได้แก่อะไรนะก็ความโศกความเศร้าความเกลียดความเครยียดความโกรธ ความอิจาพยาบา ค, ความคับแคนน้นพวกนี้เนี่ยมันเป็นแกะในใจนะแต่จริงก็ต้องรวมไปถึงการกระทําและคำพูดเข่นคำตอว่าด่าทอคำกนัดแกแหนของผู้คนทั้งที่เรารู้จักไม่รู้จัก าจะรวมไปถึงเหการที่สร้างความเจ็บปวดให้กับเราไอ้วันนี้ถือว่าเป็นขยะในใจนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นคุณอะไรกับจิตใจของเราเลยต่างจากขยะในมือน ะ, อะเดิมทีมันก็ไม่ได้เป็นขยะ ตอนที่มันอยู่ในมือเราเนี่ยมันก็มีประโยชน์เหมือนที่บอกนะขวดน้าอัลมกล่องนมกล่องน้าผลมไม้ถุงพลา ส, สติกไอตอนที่เราหยิบมาเนี่ยมันมีประโยชน์มันยังไม่ได้มีสถานะเป็นขยะแต่พอเราใช้มันจนหมดประโยชน์แล้วเนี่ยมันจึงกลายเป็นขยะ แล้วพอเป็นขยะนี่เราทิ้งทันทีเลยนะหรือยัางแรกก็อยากจะทิ้งทันทีไม่อยากทิ้งนานไม่อยกเก็บไว้นานตรงข้ามขยะในใจนะตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะตอนที่ใจเราไปหยิบฉวยมาเนี่ยมันก็เป็นขยะตั้งแต่แรกเลยนะคำต่อว่ า, าดา่าทอคำดูถูกเย็ดยำนะ การกแกล้งรวมทั้งเหตุการณ์ร้ายๆเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นขยะตั้งแต่แรกแต่เราก็ไปหยิบชวยมันมามันไม่ใช่เพิ่งเป็นขยะตอนหลังเนี่ยมันเหมือนขยะที่เราถือในมือทำไมขยะในใจเนี่ยเราจึง ไปจับไปฉวยนะมาแล้วก็หวงแหนไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้งคำต่อว่าดาทอคําทุถูกขย็ดยาม น, นี่พอเราไปหยิบฉวยแล้วเอามาแล้วเนี่ยก็เอาแต่คุ้นคิดถึงมัน ถ้าเป็นเสียงก็เหมือนกับว่าเปิดเสียงซ้ำแล้วซ้ำอีกเปิดเสียงได้ยินทีไรก็หรือรู้ถึงทีไรก็ขับแคนเจ็บปวดแต่ก็ยังไม่เลิกเหตุการณ์ที่เวลวร้ายสร้างความเจ็บปวดความสูญเสีย ความลุ่มเหลวการถูกหักหลังหรือว่าการกระทำที่ไม่ดีนะกับบุปการีหรือคนรักผู้มีพระคุณเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นขยะนะมันทำร้ายจิตใจเราแต่เราก็ขยันนะเอามา ซ้ำเติมทำร้ายใจเราอยู่เรื่อยๆนอกจากไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางแล้วก็ยังเอามาซ้ำเติมจิตใจของเราเดีย๋ยวว่าแต่การปล่อยการวางมันลงจากใจเลยนะหรือทิ้งมันลงไปจากใจเนี่ยเพียงแค่ไม่หยิบช่วยมันมาเนี่ยมันก็ช่วยเราได้เยอะแล้ว แต่นี่เราก็ใจของเราก็ไปหยิบไปช่วยมาบางทีไปขุดคุยด้วยนะบางเช่นมีใครมาว่าเราเราก็จะไปขุดคุ้ยความไม่ดีของเขาอื่นๆในเหตุการณ์อื่นๆรนะวมทั้งการกระทําที่ไม่ดีกับเราขุดคุ้ยมา แล้วก็ทิ่มแทงใจของเราเราจะขุดคุยเรื่องราวของเขาเราาทีกไปขุดคุยาการกระทาของพ่อแม่เขาพเพื่อนฝูงเขาที่ไม่ดีเอามาสูมเอามาทิ้งไว้ในใจของเราเอามาสะสมไว้ในใจของเรา แล้วก็หัวแมันเวลาเศร้าโศกนี่ก็อยากจะรลอเลี้ยงความเศร้าโศกเอาไว้เวลาผิดหวังในความรักเศร้าโศกเสียใจก็ชอบเปิดเพลงเพลงอะไรที่เรามักจะฟังกันเวลาเศร้าโศกกเพลงเศร้าเนี่ หรือแม่ก็ไปดูหนังที่มันช่วนให้เศร้าร้องห่มร้องไห้ก็ยิ่งเศร้าหนักเข้าไปใหญ่ก็กลายเป็นขยะที่มันสมในจิตใจของเราหนักขึ้นเมื่อโกรธเมืเ่อเศร้านะหรือว่าความรู้สึกอื่นๆเนี่ยที่มันเป็นแกะในใจเนี่ยเราหวงแหนเลืเกิน ถ้าเรารู้จักทิ้งมันอย่างรวดเร็วสับพันทันทีเหมือนกับมือของเราเนี่ยเวลาเจอขยะเนี่โอ้ใจเราจะเบิกบานผ่องใสมากทีเดียวถ็าถามว่าทำไมนะเราจึงหวงแหนขยะในใจหรือไปหยิบฉวยมันมาตั้งแต่แรกเนี่ยใช่ตอคือเป็นเพราะเราหลงเราไม่รู้ตัว ทีนี้พอเราหลงไปฉวยไปมาแล้วเนี่ยนะอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องรู้จักรู้จักสลัดมันทิ้งไม่ปล่อยให้มันมาครอบงานติดใจของเราที่จริงใจของเรานี่มันมีนะมันมีมันมีตัวช่วยนะในการสลัดทิ้งขยะในใจเนี่ย ตัวช่วยอย่างนี้นคือสติที่จริงมีสองนะเป็นฝาแฝงไปเลยสติและความรู้สึกตัวสติช่วยทำให้เราเห็ น, นขยะที่มันผุดขึ้นมาในใจหรืออารมณ์รวมนั่งความคิดที่มันทำร้ายเราซึ่งล็อกจะหนีไม่พ้น ภาพความทรงจำในอดีตหรือความคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับอนาคตบางทีก็ปรุงแต่งเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราหรือที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันเช่นนอนคนเดียวในกุฏิไม่เคยนอนมาก่อนกลางค่มกลางคืนมีเสียงอะไรที่ ผิดสังเกตรหรือไม่คุ้นเคยมันก็คิดไปแล้วว่าผีหรือเปล่าสัตว์ร้ายไหมหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีหรือเปล่าพอคิดแบบนี้เข้านะผเป็นกลัวเลยยนะิ่งเราไม่ได้กลัวผีนะเรากลัวความคิดไอ้ผีเนี่ยที่เรานึกว่ามันอยู่ ใ, ใกลๆเนี่ยมันคือความคิดมันคือความคิดปรุงแต่งเราไม่ไ้กลัวผีนะเรากลัวความคิดในใจเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติน ะ, ะมันก็จะรู้ทันเลยนะมันก็จะเห็นเลยนะนความคิดที่มันทำร้ายเรา หรืออารมณ์ที่เผาหลนจิตใจของเราบีบคั้นใจทิ่มแทงใจที่เรียกว่าขยะพวกนี้เมื่าเราเห็นมันนะก็จะดึงจิตหรือสลัดจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นหรือเจ้าพยาเนีายคือว่าจะปล่อยจะวางไม่ไม่ไปยึดไม่ไป เก็บให้มันมารกใจของเรานี่แหละเป็นวิธีนะในการกําจัดหรือว่าทิ้งขยะในใจมันโผล่มาทีไรก็รู้ทันเห็นมันแล้วก็ทิ้งมันไปไม่จับไม่ฉวยแต่ถ้าหลงไป่ลยนะไม่มีสติไม่รู้สึกตัวมันก็จะไปจับไปเฉวยอารมณ์เรานั้นนะ มาเล่นงานจิตใจ้็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะว่าเรือเนี่ยมันไม่ได้ล่มหรือจมเพราะว่าน้าที่อยู่รอบๆแต่เรือมันจมเพราะน้ำเข้ามาในเรือใจเราเนี่ยก็ไม่ได้ทุกข์นะเพราะว่าความที่ละอารมณ์ที่เป็นอกุศล น, นะ แต่ทุกเพราะว่าปล่อยให้อารมณ์ความคิดเหล่านี้เข้ามาเล่นงานจิตใจหรือจะพูดว่าเข้าไปจับไปช่วยไปถือมันเอาไว้ก็ได้ถ้าต่างคนต่างอยู่นะมันไม่เกิดความทุกข์นะความโกรธก็อันนึงจิตก็อันหนึ่งความทุกข์ก็อันนึงจิต ก, ก็อันนึงนน่งมนะันไม่ทุกข์ เหมือนกับ น, น้ำที่อยู่รอบเรือเนี่ยมันไม่ทำให้เรือจมแต่ถ้าปล่อยให้น้ำเข้ามาในเรือเมื่อไหร่เนียถ้ามากมันก็จม้เราปว้ความคิดที่เป็นลบเอาหรืออารมณ์ อ, อ ก, กุศลมันเข้ามาคลองจิตคลองใจเราเนี่ยจึงจะทุกข์เนืที่มันเข้ามาได้เพราะไปจับไปช่วยมัน แต่ถ้าไม่จับไม่ช่วยหรือปล่อยวางมันก็ทำอะไรจิตใจให้เป็นทุกข์ไม่ได้ น, นี่คืองานของสตินะและความรู้สึกตัวเวลาโกรธอยู่พอตั้งสติได้มันหายโกรธเวลาโศกเวลาเศร้าโศตรู่ห่อเหี่ยวพอรู้สึกตัวได้นี่มันมันเบาเี่ย ดัที่เรามาฝึกเนี่ยนะก็มาฝึกอันนี้แหละฝึกให้มีสติที่ที่รวดเร็วที่ทำงานได้ทันออกทันใจเป็นเหมือนสัญญาณการขโมยหรือว่าสัญญาณดับเพลิงที่ไวมากสัญญาณดับเพลิงเนี่ยนะเพียงแค่มีควันบาง หรืออาจจะเป็นควันที่หนาสักหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับเป็นไฟที่ลุกท่วงเนี่ยสัญญาณก็บอกแล้วมันก็เตือนภัยเจ้าของให้รู้นะว่ามันมีสิ่งผิด ป, ปกติถ้าเป็นเพลิงเป็นเปลวไฟที่ไหม้มันก็ดับได้ง่ายเพราะว่ามันเพิ่งเกิดเพิ่งลุก ตอนนี้ในการที่ใจเราเนี่ยจะมีสติไวรู้ทันเห็นความคิดและอารมณ์ที่มันเป็น อ, อกุศลเป็นโทษในต่อใจของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่องไวเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากการที่มารู้กายก่อ น, นต้องฝึกสติให้มาเห็นกายก่อนเห็นกายในยที่หมายถึงว่า รู้เวลากายเคลื่อนไหวนะเพราะว่าจะมารู้ใจคือรู้ความคิดและอารมณ์เนี่ยนะซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดนะมันต้องผ่านการรู้สิ่งที่หยาบหยาบก่อนนะก็คือมารู้กายเวลากายมันเคลื่อนไหวมีความรู้สึกเกิดขึ้นใจก็รับรู้ความรู้สึกเวลาเดิน ความรู้สึกเวลายกมือเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่หยาบและชัดงะมันรู้สึกหรือเรียกว่าเห็นได้ง่ายกว่าความคิดและอารมณ์นะซึ่งมันเป็นนามธรรมมากด้านใหม่ๆเนี่ยการปฏิบัตินะการเจริญสติที่นี่ก็ึงต้องอาศัยการอาศัยกายเนี่ยเป็นฐาน และใช้วิธีการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวนี่ก็ก็มีเรียบบทหลักหลักอยู่สองนะก็คือยกมือเคลื่อนไหวเป็นจังหวะแล้วก็เดินกลับไปกลับมาที่เรียกว่าเดินตรงกรมการที่มารับรู้กายก่อนเนี่ยในแง่นี้็คือการ เอากลายเป็นฐานของใจเอากลายเป็นที่ตั้งของใจใจนี่มันต้องมีที่ตั้งนะเพราะถ้าไม่มีที่ตั้งเนี่ยมันเคล้งควางพอมันเคล้งควางแล้วเนี่ยมันก็จะล่องลอยเะเลทะไหลแล้วมันก็จะไหลไปไ ป, ไปจับไปจับไปช่วยขยะในอดีตบ้างหรือว่าขยะที่เกิดจากการปรุงแต่งเกียรติภาพในอนาคตง ใจที่มันไม่มีที่ตั้งนะมันนะมันเฉลยถลายลแล้วก็ละเหตเล่ห์ล่อนแล้วก็สร้างปัญหามากทีเดียวหลวงพ่อเขียนนะใช้คําว่าเนี่ยจิตสัมศรนหรือว่าใจโสเพนีในความหมายทื่ว่ามันมันละเหตุเล่ห้อนมันละเหตุเล่ห์ล่อนหรือว่ามันเฉลยถลาย ไ, ลไปเรื่อยนี่ถ้าเกิดว่า มีกลายเป็นฐานของใจนะใจมันก็จะเริ่มจะอยู่เป็นที่เป็นทางไม่คิดเรื่อราบอีกประการนึงคือว่าพอเรามีการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็ให้ใจเนี่ยมีงานทำใจนี่มีงานทำคือมารับรู้กายที่เคลื่อนไหว หรือที่เรียกว่ารู้สึกนะรู้สึกเวลากายมเคลื่อนไหวหางานให้ใจทําเพราะถ้าไม่หางานใจทํานะเดี๋ยวมันก็เรียกว่ากลายเป็นจิตจรจัดสังเกตไหมเวลาเวลาเราทำงานทำการอะไรเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่นะหลายคนเนี่ย บอกว่าในพอมาปฏิบัติที่นี่จิตมันฟุ้งเหลือเกินฟุ้งกว่าตอนเวลาอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานก็เพราะว่าเหตุผลส่วนนึงก็เพราะว่าตอนที่เราทำงานเนี่ยนะหรือว่างานไม่ว่าจะเป็นงานใช้ความคิดหรือว่างานอะไรก็ตามเนี่ยจิตมันมีงานทำอาจจะฟังเพลงดูหนังอันนี้ก็เป็นงานของจิตแต่พอ ทิ้งงานพวกนี้ไปเนี่ยนะมาเดินจงกลมมาสร้างจังหวะนี่คนฟุ้งมากเลยหลายคนรู้สึกเลยนะว่าถ้าหางานทาเนี่ยมันจะทำให้ฟุ้งซ่านน้อยเช่นกวาดบ้านกวาดใบไมนะ้หรือว่าล้างล้างส้วมหลายคนก็เลยเขามีมัขมนทางานใหญ่เลยเพราะว่าพอทำแล้วเนี่ยมันไม่ฟุง้ง ท่า น, นี้เพราะว่าจิตมันมีงานทําแต่พอไม่ทํางานพวกนี้เมื่อไหร่จิตมันฟุ้งแนละ้วเพราะว่าไอ้ความรู้สึกทางกายเนี่ยมันมันยังไม่มีกำลังในการดึงดูดใจให้จดจ่อได้มากกว่าได้มากเท่ากับงานที่เราเคยทําแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆนะใจมันจะเริ่มปรับตัวได้แล้วมันก็จะรู้สึก คุณนะกับการที่มีงานทำก็คือมารู้สึกรู้สึกเป็นครูบายาจงจุมบอกเนี่ยเวลาเราแม่จะไม่ได้เดินจงกลมสร้างจังหวะเนี่ยอย่าอยู่นิ่งๆอยู่นั่งขณะที่นั่งฟังนั่งรอรถคอยคนหรือเดินทางแม้กระทั่งอยู่ในห้องน้ำเนี่ย แต่ที่นั่งถายหนักทายเบาแล้วก็เคลื่อนไหวไปด้วยพลิกมือไปพลิกมือมาไม่ต้องถึงการสร้างจังหวะพลิกมือไปพลิกมือมาครึ่งนิ้วเพราะว่าพอทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตมันก็จะมีงานทําคือมารับรู้กายที่เคลื่อนไหวและจะเบาไม่หนักแน่นชัดเจนแล้วกับการสร้างจังหวะเดินจมกรมแต่ก็มีประโยชน์ มันสา ม, มารถตรึงจิตนะให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวได้ไม่เพนผ่านแล้วก็ไปเก็บขยะมาสมมากรองไว้ในใจแล้วมันมีความแตกต่างชัดเจนในะเวลาอยู่นิ่งๆแล้วก็ไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวกับเวลาเราเคลื่อนไหวพลิกมือไปพลิกมือมาเราจะพบว่าเนี่ยความรู้สึกตัวนี่มันจะดีกว่าการที่ อยู่นิ่งๆไม่ทำอะไรเลยเพราเวลาอยู่นิ่งๆเนี่ยนะเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีงานให้จิตทำมันก็ไปเลยเทเล้าหลใจลอยอีกอย่างหนึ่งนะความรู้สึกทางกายเนี่ยมันมีประโยชน์อีกประการหนึงคือมันทำให้มันเหมือนกับเป็นตัวชี้วัดนะว่าเราเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเปล่าเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไหมใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหม เพราะถ้าใจอยู่นึกกับตัวหรือเราสึกตัวเนี่ยมันจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายแต่ถ้าใจเราลอยนะใจไม่อยู่กันนึกกับตัวนะยกมือก็ไม่รู้นะไม่รู้สึกเดินก็ยังไม่รู้สึกเลยทั้งที่การเดินเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ชัดเจนแต่พอใจมันลอยแล้วเนี่ยใจไม่อยู่กันนกกับตัวเนี่ยมันไม่รับรู้แล้วมันไม่รู้สึก แค่สิ่งึ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าเรารู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าหรือว่าใจเราอยู่กันเนื้อกับตัวไหมก็คือมันรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายเวลาสร้างจังหวะเวลาเดินโยงกลมต่อไปมันจะรู้สึกละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นจนแม้กระทั่งคือ น, น้ำลายกับพิษตาก็รู้แต่ไม่หมายมันจะไม่รู้หรอกอย่าว่าแต่เกิ น, น้ำลายเลยกับพิษตาเยเมื่อทั้งลมหายใจก็ยังไม่รู้เลยเพราะมันละเอียด ดน้นครูบาอาจารย์หลงเทียนเนี่ยท่านก็เลยให้มามารู้สึกกับการสร้างจังหวะกับการเดินจงกรมก่อนมันเป็นความสุขที่อยากรู้สึกชัดและถ้ารู้สึกมเมื่อไหร่ก็แสดงว่าใจอยู่กันเนื้อกับตัวมันเป็นตัวบ่งชี้และต่อไปนะเวลาใจมันลอยเนี่ยทันทีที่มีความรู้สึกนะว่า มือกําลังเคลื่อนไหวเท้ากําลังเดินตัวขยับเนี่ยไอความรู้สึกนี่แหละนะที่มันจะไปสะกิดใจเนี่ยให้กลับมาปราจากความคิดทิ้งความคิดที่กําลังเพลินกลับมาอยู่กั น, นกเนื้อกับตัวนะฉิร่าต้องรู้สึกตัวก่อนจึงจะมารู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวแต่ต่อไปเนี่ยไอความรู้สึกที่กายความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวนั่นแหละที่มันจะไป ชักนาให้จิตกลับมารู้สึกตัวจากเดิมที่หลงแต่ตอนที่ใจลอยไม่รู้เนืรู้ตัวก็จะกลับมารู้สึกตัวลองสังเกตได้พอเราเดินจงกลมใบ้างจังหวะไปใจลอยคิดไปเรื่องโน้เรื่องนี้อยู่ดีมันรู้สึกนะว่ามือเคลื่อนไหวไม่รู้สึกว่าตัวกําลังขยับเท้ากําลังขยื่นในความรู้สึกนี่แหละที่มันจะไปทำไม่จิตมันได้สติ แล้วกลับมาจากเดิมที่หลงจมอยู่ในความคิดมันได้สติแล้วกลับมาอยู่กันเนื้อกันตัวเลยดังนั้นในความรู้สึกทางกายเนี่ยนะมันเป็นตัวช่วยนะให้สติเนี่ยหลุดจากความคิดและต่อไปก็จะเห็นความคิดได้เร็วแล้วก็ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเคลื่อนไหวเนี่ยการทําการเคลื่อนไหวด้วยกายเนี่ย ไม่ว่าโดยการสร้างจังหวะด้วยการเดินจงกลมเนี่ยมันจึงมีประโยชน์นะเป็นตัวช่วยในการเจริญสติและมทำให้สติเนี่ยนะคล่องแคล่วว่องไวจนกระทั่งมารู้ทันความคิดแล้วก็ฉลาดในการทิ้งขยะในใจได้อย่างรวดเร็ว